สิกขาบทที่4ว่าได้การใช้เครื่องประดับของสตรีเรื่องภิกษุณีฉ พ, พัคีหนึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาวินทิกาเสถียีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุณีฉ พ, พักคีใช้เครื่องประดับของหญิงคนทั้งหลายตำหนิประนามพนธนาว่า ชไนพวกภิกษุณีจึงใช้เครื่องประดับของสตรีเหมือนหญิงเครื่อหัตผู้บริโภคกามเล่าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตนําหนิประนามโพนธนาบรรณาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตนําหนิประนามพลธ น, นาว่าฉไนพวกภิกษุณีจึงใช้เครื่องประดับของสตรีเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นําเรื่องนี้